เธอก็ไปอ ย, อยู่เธอก็มาเมื่อไรเธอทุกฉันจึงมีค่าบอกลาเลยลกกันบอกเธอเลยว่าฉันเสียใจ ฉันว่าเป็นอย่างไรขอบใจเธอจริงขอบใจที่เธอทิ้งกันไปเจ็บคราวนั้นฉันยังจำได้ถ้าเธอไม่สำคัญก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อจาก I'm n on. เชื่อเธอต่อไปจะกลับมาทำไมขอบใจเธอจริงๆเย้ออกเป็นสไตล์อำจังหวะาันท n t